โอไทยไขยแสงไก่แจ้งแล้วฝูงวิหกร้องเจ้ยแจ้วสแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภาหมูป่ปกษายังขยันหมันหากินท่านที่รักจะซบนอนอยู่ใยเล่าตื่นแต่เช้าเพื่อเกาจิตเป็นนิจสินสแสวงหาพระธรรมองค์สำมาเป็นอาจินชำระล้างซึ่งบนทิน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 เป็นปัญญาบารามีชี้แจงใสเมื่อไม่หลงเพลิดเพลินเมื่อเดินไปเชิญท่านไซต์ตื่นขึ้นรับสดับธรรมพบกันเช่นเคยสำหรับธรรมะเก็บตกรับอรุณเมื่อวานก็เป็นวันกรรมกรของวัป่าสุกระโตเป็นวันสามัคคีของวัดทำให้อาลมานึกถึงการของวัดหนององสมัยที่หลวงปู่ชาไมีชีดอยู่มีวันหนึ่ง ถ้าได้สั่งให้พระเนี่ยขนดินที่ก่อสร้างทำโบดเหลือกองมือือมาเลยสั่งให้พระเนี่ยไม่าจะเป็นพระฝรั่งพระไทยช่วยนขนไปไว้ที่หนึ่งใช้เวลาขนวันสามวันนะทำตั้งแต่สิบมงเช้าจนถึงมืดค่าอ่ะได้รางวัลก็เป๊ปซี่วันละขวดสองขวด หลังจากขนดินเสร็จแล้วหลวงพ่อชาก็ไปเยี่ยมวัดสาขาที่อื่นประมาณรักสามวันลองเจ้าวาดมาเห็นดินอยู่ตรงนี้จึงประชุมสงฆ์แล้วบอกว่าดินตรงนี้อยู่ไม่ถูกที่นะให้ย้ายไปที่อื่นอีกพวกพระไม่มีทางเลือกก็ต้องย้ายตามคำสั่งเจ้าวาด ตอนนี้พระฝรั่งเริมบ่นกันแล้วไม่พอใจแต่ก็จำใจต้องทำอะ่ะใช้เวลาย้ายกองดินก็คือมาสามวันแลัวจาย้ายเสร็จหลวงพ่อชาก็กลับจากการเยี่ยมวัดสาขามาถึงอ้าเห็นกองดินกองนี้อยู่ที่ใหม่แล้วไม่ได้ตรงตามที่สั่งจึงเรียกพาชุดเดิมนั่นแหละที่ขนดินมาบอกให้ย้ายกลับไปที่เดิม ตอนนี้พระฝรั่งเริ่มโมโหแล้วเริ่มบ่นแล้วโอ้โหพระเริ่มบ่นว่าพุทธศาส น, นาเนี่ยเป็นศาส น, นาที่มีระบบระเบียบแต่วัดนี้ช่างไร้ระบบแล้ระเบียบซะเกินเหลือเกินไม่มีกติกาไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยขณะที่ขนดินไปก็บน่นไปด่าไปรถขนดินรถ ด, ดับมาคันเล็กๆอะ่ะโยมค ง, งเคยเห็นะ่ะที่รถล้ลอดเดียวอะพวกพระฝรั่ง เวลาเข็นดินก็หนักมากเลยยิ่งโกรธก็ยิ่งหนักแต่พระไทยไม่บ่นนะพระไทยก็ก้มน้ำตาทําไปแล้วในที่สุดเนี่ยพระผาหลังก็บน่นจนพระไทยเห็นเข้าก็บอกปัญหาของท่านน่ยคือคิดมากโอพระผาหลังทัศน์ติขึ้นมาเลยเกิดเลิกบน่นตอนนี้เข็นลดขนดินก็เบางานนั้นก็อาจจะเป็นเจ้าว่ากับหลว ง, งพ่ออาจจะรู้กันก็ได้เพื่อทดสอบอารมณ์ พระในวัดให้ย้ายดินให้เห็นอารมณ์โกรธไงก็ใส่การทำงานนี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการสอบอารมณ์พอถ้าเจออารมณ์ที่กระทบภายภาคหน้าเจออารมณ์ก็สามารถผ่านไปได้เรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากคือบรรพะเนี่ยที่น่าจะมีในชิกไงอดนอนตลอดทั้งคืนจเจ้าวาด ก็ใช้ผ้าฝรั่งนี่แหละให้เอาผ้าไปซักผ้าฝรั่งเป็นผ้าใหม่หลังจากอดนอนไปนั่นคือกังวงแต่ก็จําใจนะต้องเอาผ้าไปซักแล้วที่ว่าหนองอโง่เนี่ยการซักยุ่งยากมากเลยก็ต้องซักแบบโบราณนะ่ะคือซักแก่นขนุนย้อนแก่นขนุนก็ต้องเอามีดเนี่ยไปผ่าไปฝานแกนขนุนให้บางๆแล้วก็ต้องไปก่อฟืนตักน้ํามีขั้นตอนเยอะแยะหมด พระฝรั่งก็ทำไปบ่นไปบอกไม่ได้บวนมาเพื่อแบบนี้นะเจ้า ว, ว่าดิ่ช่างไม่เห็นใจเลยเมื่อคืนไม่ได้นอนรออีกวันไม่ได้เหรอพระฝรั่งอีกท่านหนึ่งเห็นข้าวก็เข้ามาพูดบอกว่าที่คิดน่ะ ย, ยากกว่าทำนะพระฝรั่งได้สติเลยก็เลยทำแบบมีความสุขการทำงานบางครั้งก็สอยให้เราเนี่ยให้เรามีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่น อย่างหลวงพ่อพุทธทานเน่ยแต่งกอลไว้นะแต่งกอว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมการงานคุณค่าของมนุษย์ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสยัยถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไหร่ได้รู้ธรมฉ่าซึ้งจริงเพราะการงานคือตัวการประพฤติธรรมกุศลกรรมกล้ามปนบามีค่ายิ่งถ้าจะเปรียบก็เปรียบคนฉลาดยิงนัดเดียววิ่งเก็บนก หลายพกมาคือการงานเราต้องทำํำด้วยสติมีสมาธิมีขันตีมีอุตสาหมีสัจจะมีธรรมะมีปัญญามีศรัทธาและกล้าหารักงานจริงก็วัดบางวัดเนี่ยก็เอากอ น, นี้ไปติดไว้วัดที่ชอบทํากรรมกรชอบทํางานนะจะได้มีกําลังใจแต่ถ้าทํางานไม่เป็นก็ได้แค่ออกกําลังกายไม่ได้ปปฏิบัติธรรมอย่างวัดเราเนี่ยเราสามารถ าการงานผสมกับการปฏิบัติทําได้ขณะที่เราทํางานอยู่อันนี้ไม่เกี่ยววันกรรมกรนะวันธรรมดาเนี่ยฝาดไหว้ก็รู้สึกตัวไปล้างจานก็รู้สึกตัวไปเก็บขยะก็รู้สึกตัวไปเดิน ม, มิถบาก็รู้สึกตัวไปทําอะไรก็ลึกตัวแต่ถ้าเราทําแล้วไม่ลุกตัวเนี่ยมันก็เป็นแค่ออกกำลังกายธรรมดา ประโยชน์ก็ได้ได้ไม่ง่ายแต่ได้น้อยไม่เยอะเกิดทํางานแล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งตนแล้วก็ผู้อื่นด้วยเพราะขนาดที่เราทํางานถ้าระาวาังใจเป็นเราจะมีความสุขจากการทําทําด้วยความเต็มใจจิตอาสาสมัครใจจะต่างกับคนที่จําใจต้องทําเพราะว่ากลัวหมู่ว่าต่างกันมากเลยเรามาทําวัดเนี่ยเรามาด้วยความเต็มใจทําขนาดที่เรามาทํา มาสวดมนต์เราก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากครูบาจาต่างๆทําให้เราเกิดปัญญาสามารถนําไปใช้ประจําวันได้แต่ถ้คนขี้เกียจมาทําวัดทิ้งเนี่ยตื่นมาก็เหมือนกับนรกเลยโอ้โหลําบากเหลือเกินคือไม่เต็มใจที่จะมาไงถ้าไม่มาเดี๋ยวอาจารย์ไปถายไล่ออกจากวัดนะถ้าคิดอย่างนี้ก็ลําบากแล้วเพราะมันขัดแย้งกันอู้ได้ก็จะอู้หลบได้ก็จะหลบหลีกได้ก็จะหลีกต่างกับคนที่ วางใจไว้ไว้เป็นเนี่ยทํางานก็ปฏิบัติทําได้และัดได้มากกว่าคนที่หลบหลีกด้วยนะคนทํางานได้ทั้งวันเลยทําได้ดีด้วยอาตมาเห็นภาพใหม่หลายท่านเนี่ยตอนเช้าเดี๋ฝัดไม้สารนาเอี่ยมออกเลยอันนี้ไม่มีใครบอกเขาทํานะเขาทำเขาเองเขาทำแล้วเขามีความสุขคือว่าวัดไม่เป็นวัดพระพุทเจ้านะถูสาราก็ถูให้คระให้หมู่สงะได้บุญได้กุศล แล้วก็ชำระจิตใจให้เราสะอาดด้วยศาราก็สะอาดด้วยทําไปก็มีความสุขคือเขาเป็นผู้ให้ไงเห็นขยะตกก็เก็บใครเห็นก็สบายตาเห็นต้นไม้เหี่ยวแห้งเอ้าก็เอาออน้ําไปลดซะหน่อยต้นไม้ก็กระชุ่มกระชวยคนเห็นก็มีความสุขอะถ้าต้นไม้เหี่ยวแห้งคนเห็นก็สงสารไปด้วยถ้ แ, แต่ละคนเนี่ยจะมีความสามารถต่างกันขนาดที่ทํางานเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องขัดใจไงนะเพราะแต่ละคนเนี่ย บางคนจบสูงๆมาต้องมาถางหญ้าต้องมาแบบล้างแทงน้ำเผลอบางทีก็ลงบทิษะไปไปถางหญ้าหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองไม่ถนัดอันนี้มีการฝืนคนละความสามารถต่างกันยังมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งครั้งหนึ่งพระเจ้าเสือเสด็จไปสมทบการไหว้พระพุทธบาท ที่สระบุรีนะถ้าก็เสด็จประทังเรือแล้วก็ขาที่นั่งมาเนี่ยมันก็มีฝีพายมหาดเล็กฝีพายเนี่ยพายเรือไปเหงือ่หลายใครย้อยเลยมหาดเล็กนี่ก็นั่งหลับสรรับสงบนั่งฝันหวานฝีพายเห็นเข้าหมั่นไส้ก็เลยพูด เ, าเบาๆคนเหมือนกันนะคนเหมือนกันพักหนึ่งก็เห็นเนี่ยมหาดเล็กหลับเป็นสุกเนี่ย ก็เรมันไสหนักขึ้นไปอีกก็เลยพูดดังที่ว่าเดิมคนเหมือนกันนี่ว่าพระเจ้าเสือสังเกตเห็นก็รู้ว่าฝีพายคิดอะไรอยู่คั้นถึงที่พักระหว่างทางพระเจ้าเสือเห็นมีเห็นมีปาออกลูกอยู่ใต้ถุนที่พักชั่วคราวนะจึงนึกอุบายขึ้นมาได้ก็จะสั่งสอนไอ้ เ, เนี่ยฝีพายขีช้ช้า สิงบอกให้หมาเล็กกับไปที่อื่นแล้วก็เรียกฝีพายมาเองลงไปดูที่ข้างล่างมีอะไรฝีพายขาดไปใต้ถุนสภาก็ออกมาบอกว่าหมาออกรูกพระเจ้าค่ะมีกี่ตัวขาดไปรอบที่สองสี่ตัวพระเจ้าค่ะตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้กับตัวเมียอย่างกีก่ตัวขาดไปครั้งที่สาม ตัวผู้สองตัวตัวเมียสองตัวพะยะค่ะเอา้าแล้วเสียอะไรขาดไปครั้งที่สี่แล้วออกมารายงานว่าสีดำสองตัวเสียมตาสองตัวพะยะค่ะพะยะเสือก็ถามต่อแล้วแม่หมาเสียอะไรฝีพายขามุดใต้ถุนครั้งที่ห้าแล้วบอกว่า แม่หมาสีนวลพระเจ้าค่ะแล้วพระเจ้าเสือก็ให้มหมาเล็กเอาแหละเองลงไปดูที่ข้างล่างมีอะไรมหมาเล็กอมุ้ดไปสักพักหนึ่งก็รายงานบอกว่ามีหมาออกลูกสี่ตัวสีดำสองตัวสียำตาลสองตัวแม่หมาสีนวลพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือจึงตัดกับ ฝีพายว่าไหนเองบอกว่าคนเหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันแล้วก็อบรมสั่งสอนฝีพายขี้ช้าใครได้คิดเรื่องนี้ก็จบคนเราจะชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันพอชอบไม่เหมือนกันเนี่ยก็เลยไปศึกษาหาความรู้ที่ต่างกันส่วนที่เราขาดบักจะอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับคนอื่นแต่เราสามารถเติมเต็มส่วนนั้นให้กันและกันได้ถ้าเราไม่อิจฉาซึ่งกันและกัน แบ่งปันความดีเนี่ยเราก็สามารถพึ่งพ า, าศัยกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างว่าปาสุกโตเนี่ยบุคลากรเนี่ยที่แตกต่างกันมีฟวามสามารถต่างกันสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ทําให้งานเนี่ยไหลลื่นและประสบความสำเร็จอย่างง่ายเลยทําอะไรก็ง่ายไปหมดแต่ถ้าทำอิจฉาการปุ๊บเนี่ยแย่งแข่งขันกันเอาความเดียมชอบกันเนี่ย งานก็ไม่ประสบความสําเร็จจิต ท, ที่จะให้เนี่ยดีกว่าจิต ท, ที่จะเอาเราสังเกตไหมว่าที่เราขนาดที่เราเนี่ยวางจิตอยากให้คนอื่นเนี่ยแค่เราก็มีความสุขแล้วมีวิญญาณสองตนผลโทษจากนรกก็มาหาโ ย, โยบายก็จะให้ไปเกิดแต่โยบายใจดีนะให้วิญญาณสอ ง, สองตนเนี้ยเลือกเอาว่าจะไปเกิดในที่ใดมีเงื่อนไขสองข้อหนึ่ง ให้เกิดเป็นผู้ที่มีสิ่งของและต้องให้ตลอดชีวิตกับสองให้เป็นผู้ต้องรับสิ่งของตลอดชีวิตให้เลือกเอาจะอย่างไหนวิ ญ, ญาณตนแรกรีบยกมือขึ้นเลยบอกขอเกิดเป็นผู้รับของตลอดชีวิตอยู่าบาลบอกอืมเจ้านี่มีความอยากมากอยู่ปรทุดให้ไปเกิดเป็นลูกขอทานก็นแล้วกันเกิดมา ก็ต้องรับสิ่งของตลอดชีวิตเป็นผู้ขอส่วนเจ้าต่เกิดเป็นลูกเศรษฐีตลอดชีวิตก็ให้บริจาคทำบุญทำทานช่วยเหลือคนอื่นทั้งชีวิตหลังจากคำลัดสินจบบุญญาสองท่านก็อึ้งเลยไม่รู้จะทำไงเพราะยงมาตัดสินไปแล้วแต่การให้เนี่ยมีความสุขกว่าการเอานะควรบำเบญทานซึ่งการให้ท่านว่าไว้สวยงามสามาฐาน หนึ่งให้ของสองธรรมะชนะภามาณอภัยทานที่สางามเหลือเกินเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นยาจกมีคนยกคนรักมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ขอหว่เขาไม่เข้าทีเสียศักดิ์ศรีคนชังหลังเกียรติเราสองฐานะวิจัยให้เห็นแจ้งอย่าเครือบแคลงกังขาอย่างโง่เขาเป็นผู้ขอผู้ให้ตามใจเราจะเลือกเอาอย่างไหนคิดให้ดีเป็นผู้ให้ดีกว่า มีนิานเซนอยู่เรื่องหนึ่งที่วัดแห่งนึงเนี่ยจะมีการให้ทานประจํามีลงทานวันหนึ่งก็มีขอทานมาขออาหารขอทานคนที่แขนเดียวนะอ า, อาจารย์เซนจเจ้าอาวาสเนี่ยก็บอกให้ขอทานเนี่ยไปทํางานก่อนที่จะมารับประทานอาหารโดยให้ไปนขนขนอิฐหน้าลงครัวอิดเป็นก้อน ให้ไปไว้ข้างหลังลงครัวขอทานแขนเดียวก็ไม่พอใจบอกว่าผมมาขอทานถ้าท่านไม่เต็มใจให้ก็ผมจะได้ไปทำไมต้องมาแกล้งกันอย่างนี้อาจารย์เซนก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ยกหินทีละก้อนโดยใช้แขนเดียวให้ขอทานดูขอทานก็ยอมทนะํานะก็ยกยกหินตามที่ตัวยกได้แหละจนหมดหมดกองหลังจากทางานเสร็จแล้วอาจารย์เซนก็ให้เงิน ตาสมควรนั่นแหละโอ้ขอทานดีใจใหญ่เลยขอบคุณแล้วขอบคุณอีกผมไม่นึกว่าอาจารย์จะให้เงินไงแล้วก็ลากลับไปหลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีขอทานมือตีนดีเข้ามาขออาหารอาจารย์เซนก็เหมือนเดิมแหละหย้ายกองหินจากหลังโรงครัวมาหน้าโรงครัวแต่ขอทานคนนี้ไม่ยอมย้ายก็เลยไปเลยไม่ยอมทานอาหารด้วยลูกศิษย์ก็ถามอาจารย์เอ๊ะอาจารย์ไอหินเนี่ย ระหว่างขนย้ายไปหน้าโรงครัวกับหลังโรงครัวเนี่ยมันต่างกันตรงไหนอาจารย์เซนก็ตอบว่าหินจะอยู่โรงครัวหรือหน้างครัวไม่ต่างหรอกแต่ต่างกันตรงที่ว่าขอทานจะย้ายหรือไม่ย้ายต่างหากตรงนี้จะสําคัญหลังจากนั้นเหตุการณ์ผ่านไปหลายปีวันหนึ่งก็มีคนมาเยี่ยมวัดมากราบอาจารย์เซนโคนี้ก็คือขอทานแขนเดียวแดดีนั่นแหละตอนที่เลิกขอทานแล้ว หลังจากที่อาจารย์เซ็นให้เงินไปเนี่ยก็เห็นคุณค่างตัวเองก็เลยไปทํามาหากินประกอบอาชีพให้ให้ตรงกับความสามารถะตัวเองมีแขนเดียวก็ทํางานที่ตัวเองคิดว่าทําได้อะขยันก็เลยทําให้มีฐานะร่ารวยขึ้นมาส่วนขอทานที่แขนดีก็ยังไปขอทานเหมือนเดิมนั่นคนเราถ้าเห็นคุณค่าตัวเองมันก็พัฒนาตัวเองได้พี่ชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งถือว่าเกิดมาสมบูรณ์แบบมากเลย หน้าตาก็ดีแล้วก็การศึกษาก็สูงชีวิตก็ประสบความสาเร็จแล้ววันหนึ่งเขาก็ประสบความสาเร็จมากขึ้นเมื่อพี่ชายเขาเนี่ยซื้อรถสปอร์ตคารหรูให้เป็นของขวัญชายหนุ่มก็เลยขับรถเนี่ยสปอร์ตไปทดลองว่าแรงแค่ไหนหลังจากขับรถจนเหนื่อยก็จอดพักขัะนั้นก็มีเด็กชายคนหนึ่งชอบรถคันนี้มากเข้ามาลูกขับรถใหญ่เลย ลูกขับรถแบบมือสั่นนะชายูสังเกตเห็นก็เลยบอกน้องเบาๆ<า>หน่อยเดี๋ยวรถพี่้ับหมดเด็กก็บอกว่ารถพี่ดีสวยจังเลยเอแน่นอนอยู่แล้วพี่ซื้อแบบแพงไหมโอพี่ไม่ได้ซื้อมาเองหรอกพี่ชายซื้อให้เป็นของขวัญเด็กก็บอกโอ้โหดีจังเลยผมอยากพูดตะกุกตะกากนะคือ ชายหนุ่มก็คิดว่าเอเด็กคงอยากอยากจะได้รถนะสักพักหนึ่งเด็กก็พูดใหม่โอ้โหดีจังเลยผมอยากเป็นแบบพี่ชายของพี่จังผมจะได้ซื้อรถหรูๆให้น้องผมบ้างโอชายหนุ่มตะลึงเลยนะเพราะคิดไปถึงว่าเด็กคนเนี้ยแทนที่จะอยากเป็นผู้รับรถเนี่ยกับอยากเป็นผู้ให้มากกว่าอยากให้รถน้องชายก่ะด้วยความซาบซึ้งใจก็เลยชวนเด็กคนนี้แหละนั่งรถเที่ยวกัน นั่งรถเล่นเด็กคนนี้คือรถรถไปได้สพักหนึ่งก็บอกชายหนุม่มว่าพี่ช่วยขับรถไปที่บ้านผมได้ไหมชายหนุม่มก็คิดว่าโอ้เด็กคนนี้คงอยากจะอวดให้ชาวบ้านเห็นว่าเนี่ยนั่งรถสปอร์ตขับหรูนะเออไหนๆก็ได้ไหนละก็เลยพาไปส่งหน้าบ้านแต่แล้วชายหนุม่มก็คิดผิดว่าเด็กคนเนี้ยวิ่งขึ้นไป บ, บนบนบ้านอ่ะบ้า น, านมีสองชั้นไงสักพักหนึ่ง ก็อุ้มน้องชายตัวเล็กขาพิการลงมาข้างล่างแล้วก็ชี้ไปเนี่ยชี้ไปที่รถอ่ะรุ่นรถบอ ด, ดี้ที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยเห็น ไ, ไหมพี่ชายของพี่คนนี้เขาซื้อให้สักวันหนึ่งเนี่ยพี่จะซื้อให้น้องได้นั่งรถหรูแบบนี้บ้างชายหนุ่เจ้าของรถเนี่ยตื่นตันใจมากเลยก็เลยไปอุ้มเนี่ยเด็กขาพิการ แล้วก็ที่ชายนั่นแหละขึ้นรถแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็รู้ว่าความสุขที่ยิ่งกว่าการให้คืออะไรเพราะโดยทั่วไปคนเราเนี่ยมักจะหวังรับของมากกว่าให้ไงการให้มีความสุขกว่าให้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุเป็นแร ง, แรงกายแรงใจบุญข้อบุญข้อนี้คนทั่วไปมองข้ามนะเพราะโดยธรรมชาติเคนเราจะเห็นกก่ตัวจึงเรามาทํางานเนี่ยเรามาทําเพื่อลดละความเห็นกับตัวลดละดตาตัวตน บางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมโดยจงกรมยกมือทั้งวันแต่ใจร้ายเห็นหมามาก็ไล่หมาแต่เพิดชี่ยวเชี่ยชี่ยไปเห็นแมวก็รังเกียจเห็นคนก็ไม่สงสารหรืออิจฉาต่างกับคนที่บางคนไม่ปฏิบัติธรรมแตจิตใจก็เมตตาเห็นแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลมีแต่ความรักความเมตตาอันนี้เราอยากถามว่าใครจะมีความสุขมากกว่ากันระหว่างพวกกรรมฐาน ที่ในรูปแบบแต่จิตใจแข็งแข็งก้าวกับคนที่มีเมตตาจิตใจอ่อนโยนรักสัพพะสัพรักธรรมชาติการทำงานถ้าเราวางใจเป็นเราทำแล้วก็มีความสุขด้วยหลวงพ่อพุทธรแลแต่งกอนไว้ว่าการทำงานเนี่ยทำให้ชีวิตสดใ ส, สอันการงานนั้นเาเสดตรงที่สนุกยิ่งทำงานยิ่งเป็นสุขทุกสถาน ทำชีวิตให้สดใสใจเบิกบานในการงานประจำวันนั่นเองนาะเมื่ออย่างนี้มีแต่คนวิมลจิตเย็นธนิดดวงใจและโทษาเกิดสังคมที่อุดมด้วยเมตตาอยากเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมผลของงานล้นเหลือเผื่อแผ่ทั่วสัตว์ทุกตัวใหญ่น้อยพลอยสุขสมทั้งเมืองเล็กเมืองใหญ่ได้ชื่นชมโลกระดมสุขวางทางนิพพานอันนี้ไปก่อท่ท่านแต่งไว้ไง ว่าการทางานเนี่ยทําเป็นก็มีความสุขแล้วสรุปด้วยจริงอลมาจะจบแล้วแต่แถบทิฐานให้โยมเรื่องหนึ่งมีพยาบาลอยู่คนหนึ่งวันนี้เปิดวันเกิดแต่ด้วยเมื่อคืนเนี่ยต้องเข้าเวรแล้วออกสายก็เลยตื่นสายแต่ก็อยากทาบุญนะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เตรียมทําบุญอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยแต่พระเออเน่ยพระพระกลับวัดนหมดแล้วมองไปอา้าเห็นเน็น อยู่คนหนึ่งเนเ น, เนเนยเพิ่งบวชมาได้สอง ว, วันเดินมาคนเดียวจึงนิมนต์เนนมาใหมาใหมารับของสังฆทานแล้วก็บอกเนนวันนี้เป็นวันเกิดวันเกิดโยมนะเนนให้พรด้วยเนนก็ทำหน้าเหลือหลาเพราะเพิ่งบวชส่วนมูลก็ไม่เป็นหลังจากโยมถวายของแล้ว ตักบาทแล้วหน่งค่าพรเนก็แฮปปี้เบิร์ a เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ t เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูญาวาลก็หัวเราะอีกมีความสุขเนขก็มีความสุขคุณมาสบเคอร์เวลาโยมก็มีความสุขความเจริญนะวันนี้ก็เอวัง